อินเดียกับชาวอารยชานในอินเดียน่ะต้นตระกูลเป็นพวกเดียวกันอพยพมาด้วยกันแล้วก็มาแตกแยกกันต่อนหน้าที่จะเข้ามาสู่อินเดียหรือประเทศอิหเดียในปัจจุบันนี้ปัญหาในข้อแตกแยกก็เกี่ยวกับปัญหาในการนับถือพระเจ้าของเขาคือฝ่ายพวกอรารยชาที่มาอินเดียนั้นต้องการจะนับถือพระอินเป็นพระเจา้า ช า, า, าเลกษาอีกพวกหนึ่งต้องการนับถือศัตรูของพระอินเป็นข้าเจ้าคือพวกอสูรเล้วเนื่องจากปัญหาทางศาสนาขัดแย้งกันนี้ผู้ที่เป็นฝ่ายศัตรูของพระอินจึงได้แยกพวกอ พ, พยพลงมาตั้งชนชาติขึ้นใหม่ในประเทศอิหร่านปัจจุบันนี้อันเป็นประชากรในประเทศอิหร่านเดี๋ยวนี้แต่ว่าประชากรในประเทศอิหร่านเดี๋ยวนี้ไม่ได้นับถือศาสนาโบราณดังที่ว่าแล้วเด่นเปลี่ยนไปนับถือเป็นศาสนามุสลิมไป าศาสนาโบราณที่ว่านั่นคือาศาสนาโตโรอัสเตอร์หรือเรียกกันอีกในหนึ่งว่ า, าศาสนาปาสีซึ่งเวลานี้มีคนนับถือประมาณจักสามแสนคนนั้นเองหรือน้อยเต็มทีเกือบจะไม่มีความหมายแล้วาศาสนานี้ลัทธิเจ้าสูงสุดชื่อว่าอคูระอัสดาอคูระคำนี้ก็ตรงกับคําว่าอสุรในบาลีหรือสันสกฤตต น, นเองเป็นรากฐานมาก่อนนี่เพราะฉะนั้นเรื่องเทวคุณสงครามที่ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาหรือในวรรณคดีสันสกฤตของฝ่ายพราหมณ์นั้น ก็มีข้อเท็จจริงอยู่คือว่าเป็นการทำสงครามในระหว่างชนชาติอารยันด้วยกันเพราะตำนานของเทวทูตสงครามก็บอกไว้ว่าท้าเวปจิตติอาสูนั่นเดิมชื่อสมพรอาสูนสมพรชื่ออาสูสมพรภายหลังมาเปลี่ยนเป็นเวปจิตติซึ่งแปลว่าผู้มีจิตอันร้อนรุ่มไม่มีความสงบระงับได้ก็เกิดจากว่าเกิดการแตกแยกระหว่างผู้อารยันด้วยกัน เทวดาในตำนานเทวสุรสงครามเล่าถึงว่าทั้งฝ่ายอาสุนกับฝ่ายเทวดานั้นเคยอยู่บนสวรรค์มาด้วยกันแล้วมาเกิดรบพุ่งกันขึ้นเพื่อชิงความเป็นใหญ่อันนี้ก็เป็นผลสะท้อนจากข้อเท็จจริงในระหว่างชนชาติอรารยตะแตกแยกออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งเข้าไปในอิหร่านพวกหนึ่งเข้ามาในอินเดียเพราะฉะนั้นถ้าเราดาูทางตำนานเทวะกำเนิดหรือในทางเทศนิยายของศาสนากรามรศาสนาตัรูอัสเตอร์แล้ว ร่วมมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่โบราณทั้งนั้นข้อเท็จจริงเรื่องใดที่ปรากฏในตำนานของชนชาติเหล่านั้นก็มักจะสะท้อนออกมาในรูปของเทพนิยายเพราะฉะนั้นการศึกษาเทปนิยายในวรรณคดีของอินเดียกับวรรณคดีโบอีลนโบราณก็ต้องใช้การศึกษาโดยอาศัยหลักประวัติศาสตร์เข้าจับเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรื่องเทพนิยายเหล่านั้นจะเป็นเรื่องยกเมฆทั้งนั้นไม่ใช่คือว่าจะต้องมีอินความจริงอยู่เกี่ยวกับความเป็นไปในชนชาติเหล่านั้นเอง ซึ่งสอบผลออกมาเป็นปฏิกิริยาของรูปเทพนิยายเพื่อเป็นการรักษาตํานานของชนชาติไม่ให้สูญหายไปการที่เราจะรักษาตํานานของชนชาติใดชนชาติหนึ่งไม่ให้สูญหายไปนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องถูกเป็นเทพนิยายแล้วก็เล่าตู่กันฟังถือทอดกันมาถ้าเป็นนิยายที่ประทับใจแล้วก็ประชาชนนี่ละครจะช่วยกันจดช่วยกันจำเอาไว้ไม่ให้ตํานานพื้นเมืองสูญเสียไปเพราะฉะนั้นบรรดาตํานานพื้นเมืองก็ดีเรื่องเทพนิยายก็ดีโดยระการ ตรงกันข้ามก็เท่ากับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชนชาตินั้นซึ่งถูกขึ้นในเรื่องของนิยายเพื่อจะรักษาตํานานให้ศูนย์อันนี้คนโบราณก็ทันรู้จักคิดในทางจะรักษาของเก่าไม่ให้ศูนหายไปคราวนี้พู้อริยะจ่ที่เข้ามาในอินเดียนั้นเข้ามาในทางช่องเดียวกับพวกทราวิทะเข้ามาคือทางช่องเขาไคเบอร์พัสเมื่อเข้ามาถึงรูม่น้ําสินธุแล้วผูวอ้อารยะจ่าก็ต้องประจันหน้ากับพู้ทราวิทะ จึงเป็นเจ้าของอารยธรรมในรูปเหม่น้ําสินธุเรียกันว่าบริเวณโ บ, โบราณของโมเหนโจโดาโรในรูปเหม่น้ําสินธุแต่เนื่องจากผู้อรารยกะมีกําลังเหนือกว่าคือรู้จักใช้รถถึกเวลานั้นชาวอารยกะรู้จักใช้รถถึกเพราะฉะนั้นหนึ่งกรงล่อที่ทางาศาสนาเอามาใช้เป็นสั ญ, ญลักษณ์นั้นก็เป็นเครื่องหมายความเจริญทั้งในทางธรรมะและในทางโลกเพราะว่า ถ้าจะว่าไปแล้วชงชาตในเอเชียกลางในยุคนั้นไม่มีชนชาติใดเลยที่สามารถรู้จักใช้รถศึกเว้นแต่ชาตนารยตะรู้จักใช้รถตึกเมื่อรู้จักใช้รถตึกการรบพุ่ก็รวดเร็วการจะบุกบ้านบุกเมืองก็โดยผลทันอกทันใจดีฝ่ายเจ้าของถิ่นคือพวกราวิทะนั้นไม่รู้จักใช้รถตึกก็แพ้ไปเป็นผู้แพ้เมื่อเป็นผู้แพ้ก็ถูกกวาดต้อนเอาไปเป็นทาสเป็นขลยุยเพราะฉะนั้นลื่นของดัณฑะก็เกิดขึ้น วามจริงคำว่าวันละนั้น่แปลว่าสีเป็นสีของผิวหนังไม่ได้หมายถึงชนชาติสูงชนชาติต่ําอย่างในสมัยต่อมาที่พวกครามบัญญัติเดินทีเดียวหมายถึงสีกันั่นเองคือว่าพวกอาริยะนั้นเป็นพวกผิวขาวเมื่อเข้ามาในอินเดียไปเจอพู้ราวิทะซึ่งเป็นพวกผิวครามเพราะนั้ความรู้สึกในขั้นแรกก็แบ่งเป็นสองพวกคือสองวันละพวกผิวขาวพวกหนึ่งพวกผิวสีคือผิวครามแตกต่างจากผิวขาวนะพวกหนึ่ง อันนี้เป็นการเริ่มต้นของระบบวันนะแต่เนื่องจา ก, กผู้คิ้วครามเป็นผู้รบแพ้ถูกจับต้องเอาไปเป็นทาบเป็นเฉลยหมูอไปเป็นทาบเป็นเฉลยก็ถูกผู้ชนะเอาไปใช้แรงงานมูอเป็นเช่นนี้ใช้นานๆไปก็เกิดวรณะขึ้นมาเป็นวรรณะต่ำต้อยคือวันะสูตรหรือวรรณะจำถานเป็นวรณะต่ำต้อยคือในมือผู้อริยตาเองในขั้นต้นก็ ไม่ได้แบ่งเป็นวันหน้าอะไรเป็นฝักเป็นส่วนเพียงแต่ดันกันตามหน้าที่คือหน้าที่ขัตติยะต้องทําหน้าที่รบป้องกันภูงเผ่าวเวลาขยายจากักรวรรดิก็ทําหน้าที่เป็นทหารผู้รบปลุกมือกันไปเวลาปกติก็มีทําหน้าที่ไถหวานแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีบุคคลจํำพวกหนึ่งเป็นพวกที่รู้ใจพระเจ้าเทวดาดีคอยทําหน้าที่สื่นสงเวยบวงสวงถามไถ่ ทำนายชะตาราศีต่างๆให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นในขั้นต้นก็ยังไม่มีวันนาไหลพียงๆแต่แบ่งแยกตามหน้าที่เมื่อพูอ้อารยกะเข้ามาในอินเดียในสมัยแรกๆปัญหนายังไม่มีมามีในสมัยที่ว่าผูอ้อารยกะลุกเข้ามาถึงลุ่มแม่น้ํำคงคาแล้วอณาบริเวณไทสานผู้อรารยกะก็ตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นมาเป็นหลักเป็นฐานไม่ต้องมีเวลาเลอะขุ่นอะไรมากมายเมื่อเปนเช่นนี้ชีวิตเกษตรกรกนในยุคเริ่มต้นก็มากลายเป็นแบบสังคมไม่น้อย เป็นแบบมีอาศัยการขา้าครรักกรรมบ้งางการนิจกรรมบ้างอุาตสาหกรรมน้อยน้อยตามบ้านบ้างเกิ ด, ดขึ้นเพราะฉะนั้นระบบวันละจึงเด้เร่วมขึ้นตั้งแต่นั้นมาแบ่งหน้าที่กันเด็กขาดให้ผู้ที่เป็นนักรบนั่นเป็นวันละกระสับหรือขัติยะไปผู้ทําหน้าที่ค้าขายก็เป็นวันละนเวทไปส่วนผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับพระเจ้าเป็นผู้ทํานายชะตาราสีก็เป็นวันละรามไปอันนี้เป็นระบบการเริ่มต้น ในสังคมสินดูโบราณสมัย 2,000 ปีก่อนพุทธกาลสิ่งที่ผู้อารยะกะนําติดตัวเข้ามาในอินเดียสิ่งนั้นคือคำที์เวทคำที์เวทน่ะหนาเวทภาพและความรู้หรือความสว่าง อ, อันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นสั ญ, ญลักษณ์ว่ า, าศาสนาของชาวอินเดียนั่นน่ะให้คุณค่าต่อสติปัญญาไว้อย่างมากผิดกับาศาสนาฝ่ายตะวันตกของคเข า, าศาสนาฝ่ายตะวันตกที่เกิดในอาราเบียก็ดกีหรือเกิดในประเทศอียิปต์ก็ดกี ไม่ได้ให้คุณค่าทาั้งสติปัญญาอะไรทั้งสิน้นมีน้ำต้นยังถือว่ามนุษย์เรานี้มีธรรมชาติที่ต่ำต้อยไม่ควรที่จะอาถรรพไปตีเสมอกับพระเจ้าหรือไม่ควรที่จะอาถรรพไปคาดคะเนพฤติกรรมของพระเจ้าหน้าที่ของมนุษย์ก็ต้องเป็นทาสที่ทักดีคอยบำรุงบำรเรือข้าเจ้าของนั้นเองหน้าที่อื่นจากนี้ไม่มีถ้าอุได้บางอาจใช้สติปัญญาคิดค้นข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมของข้าเจ้าเขา นั้นก็จะต้องเป็นผู้ขี่พระเจ้าจะสาปผันเพราะฉะนั้นาศาสนาฝ่ายตะวันตกก็เริ่มต้นเป็นการผูกมัดเสรีภาพทางความคิดเห็นของบุคคลให้อยู่ในวงจํากัดบุกงบี้ยว่าเป็นขั้การทางความคิดไม่ให้มีความคิดอิสระเสรีอันนี้เป็นคุณลักษณะของาศาสนาฝ่ายตะวันตกแต่าศาสนาในทางตะวันออกอย่างาศาสนาในอินเดียแม่าศาสนาความจะเป็นาศาสนาที่บูชาพระเจา้าเป็นฝ่ายเทวะนิยมก็จริง แต่พระว่ า, าศาสนานี้อย่างน้อยก็ยังนิยมการภช้สติปัญญานั่นก็คือเขาเด็ให้ชื่อคำพี์ศาสนาเขาว่าเวทาเวทามาหายถึงความอย่างหมายถึงสิติปัญญาเวท า, ญญ า, าในที่เนี้คำพี์เวทนั้นนักปรัสทางภาษาศาสตร์ย่อกย่อว่าเป็นคำภี์ที่มนุษย์แต่งขึ้นบูราณที่สุดยิ่งกว่าคำภีทั้งหลายแหล่ที่มีในโลกอาจจะมีคำพีโบราณกว่านั้นแต่คมพีเหล่านั้นก็สูญหายไปแล้ว มาเด็ตกทอดถืงมาถึงปัจจุบันนี้แต่คาพีเวทนั้นมีอายุ ก, กว่าสี่พันปีสามารถย่างยืนถึสายตกทอดมากระทั่งถึงกาลปัจจุบันก็ต้องรับว่าเป็นคำพีที่มีอายุการโบราณเก่าแก่ในเหมื้อประดาคำพีทางศาสนาทั้งหลายาคำพีเหล่านี้นะไม่ได้ถูกจดเป็นรายละอักษรมาก่อนเลยเ้าว่าผู้อริยะเองแม่จะรู้จักใครตัวอักษรแล้วในขณะก่อนพิจารณาก็จริง แต่ผู้อริยะก็ไม่ชอบที่จะนำขกอสอบเหล่านี้มาจดจารุขข้อความในทางศาสนาก็คือว่าเหลวงศ า, า, าสนาหนักติดเกินไปที่จะเอามาฉีนในตัวหมันขือทา ง, งเดียวที่จะจดจําคําสองน ค, คำสอนทางศางสน า, าได้ก็คือว่าต้องใช้วิธีถ่ายทอดทางปากคือสอนกันจากปากหนึ่งไปอีกปากหนึ่งเป็นมุขตาปากเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคําทีไวของผู้อารยะนั้นได้นําติดตัวมาพร้อมกับ พุูโรหิตซึงมีหน้าที่ทําหน้าที่ท่องจําสังวรษยายพวกคมภี์เหล่านี้จนขึ้นใหญ่ใครคิดอะไรแต่งอะไรขึ้นมาใหมายก็เฮ้ยแผลในหมู่พวกกุโรจิตคือพวกขามแล้วก็ท่องจํากันเป็นคณะคณะคณะไปทีเดียวแบ่งหน้าที่กันมาคัมภีเก่าที่สุดก็คือฤทเเวศฤคเวศแล้วต่อมาฤทเขเวศน่ะมีมาตั้งแต่ก่อนเข้ามาในอินเดียเมู่อมาอยู่ในอินเดียที่แม่น้ําสินธุพวกครามก็แต่งคมภี์สามเวศขึ้นอีกคัมภี์นึ่ง และพอเลื่อนมาถึงไม้รูปหน้าโครงคาผู้ครามก็แต่งคำพี์ยัติรุเวสอีกคมพีหนึ่งและต่อจากนั้นก็เกิดอาขพเวสแล้วก็เข้าสู่ยุคคมภีรอุปนิษัตทั้งหมดนี้รวมแต่มุกปาถะทั้งนั้นห้องจำเอาทั้งนั้นอาผู้ววครามก็ถือว่าข้อความในคำพรีรจายเพศของเขานั้น่ะเป็นสรุปิสรุปิก็ ว, ว่าได้ฟังมาฟัมาจากใครบอกว่ารุสีแต่ฟังก่อนพวกเป็นบุบรพาจารย์บรรดาลุสีแต่เก่าก่อน และรูปสีที่สําคัญก็มีพวกรูปสีวิศวามิตรอ่ารูปสีนารศนารสะรูสีที่นารอดพระนารอดแล้วก็วรมิกีนี่แล้วก็เวสสามิตตาแล้วก็ยามมตักทีอังศีระปาพระคู่กัตสปานี่รูปสีที่มีชื่อทรงเกียรติที่คุณเนี่ยว่าพวก ง, ง่ายๆว่ามีอยู่เจ็ดตนด้วยกันเป็นพูนิกรุนอยู่ในฐานะเป็นท่านสมารูปสีได้ฟังมาจากพระพรมอีกทีหนึ่งพระพรมฟังมาจากพระเจ้า แล้วก็เอามาสั่งสอนมนุษย์เพราะฉะนั้นจริงชื่อว่าสรุติเป็นคําที่เด็สดสับมาคําที่เด็ดทางสับมาจากพระเจ้าสั่งสอนกันมาอเรื่องเรื่องถอยกระทรวงความในคำพิราเณศนั้นนักบากทางประวัติศาสตร์เขายดย่องมากเขาว่าเป็นการรักษาเพมิสมบูรณของคนชาติอรารยกะโบราณไว้อย่างดียิ่งข้อความต่างๆที่เกี่ยวกับวงสวงพระเจ้าก็ดีค้อถ้อยคำที่อ่อนหวอนขึ้นก็ดี ค่อคเหล่านั้นนักประวัติศาสตร์ในโบราณคดีได้พยายามศึกษาทําให้จิตใจขอไปนในสู่ข้ออดีตการเมื่อ 4,000 ปีเห็นภาพพลดความเป็นอยู่ของชาวอินเดียในครั้งนั้นเป็นมาอย่างไรความเป็นอยู่ภายในครอบครัวเป็นมาอย่างไรระบบพ่อแม่พี่น้องระบบต่างๆของสังคมในยุคนั้นเป็นอย่างไรมีระบุไว้ในคำค่อยคําที่อ่ อ, อนวอนอันแต่งในคํำทีไตรเฟศอย่างสมบูลณ์ทีเดีย อันนี้ก็ทําให้เด็กผลว่าน อ, อกจากจะเป็นคำพิสาสนาแล้วยังรักษาประวัติศาสตร์หรือธงสวัสดา์ของชนชาติเหล่านั้นไปด้วยอ่ปรากฏว่าพระเจ้าในสมัยเริ่มแรกนั้นพระอินทร์เราเป็นผู้สูงสุดอยู่ในฐานะสูงสุดทีเดียวพระอินทร์แล้วก็ผัดจากพระอินทร์ลงมาก็มีพระอัครมีคือไฟเพราะว่าถือว่าไฟนั้นเป็นผู้ติดต่อระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ถ้าไม่มีใฟแล้วเราก็ไม่สามารถจะติดต่อกับสวรรค์ได้เพราะ มนุษย์เราจะส่งเครื่องบัดเพียงไให้พระเจ้าบนสวรรค์กินนั้นมีทางเดียวจะทำได้สําเร็จก็คือว่าต้องทิ้งไว้ในกองไฟและเอาใส่ไฟแหละพาเอาร ถ, รถหรือกลิ่นของอาหารเหล่านี้ละเหยขึ้นไปบนสวรรค์บน้าคฟ้าและพระเจ้าก็รับรู้เพราะนั้นเมื่อ น, นักถือไฟหนักๆเข้าเห็นคุณของไฟวันหนึ่งให้ความร้อน 2. ป้อ ง, ง ก, กันกัดป่าเพราเวลาเดิน อ, อพยพถ่ายเทครอบครูเข้ามาในอินเดียนั้นต้องผ่านตาใหญ่ผ่านความหนาวเย็น ชาวอริยาตาก็ได้อาศัยไฟอาศัยฝ่ายแล้วก็อาศัยไฟป้องกันกลัตราอาศัยฝายให้คจามอบอุ่นและอาศัยไฟในการลุงตป็น อ, อาศัยายให้ความสว่างอาศัยฝายในข้อติดต่อกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นคุณของไฟมีมากชาวอริยา ก, ก็เลยอุทโลกไฟขึ้นเป็นเทวดา อ, องค์หนึ่งคือพระหักหนึ่งอันนี้ก็เป็นเทวดาประจำธรรมชาติและนอก น, นั้นก็มีเทะวายุพระสูมะพระสูมะมนี่ทำหนา้าที่วิธีการทําพิธีบรรลนให้เทวดา จต้องใช้วิธีสังเวยดินน้ำโสงน้ำโสงนี่ก็มีเรื่องหานาทีในการทำต้องไปเก็บเอาราดไมช้ชนิดหนึ่งจากภูเขาและราดไมช้ชนิดนี้อมากลั่นสั่นเป็นน้ําโสมเพราะฉะนั้ําโสมว่าไปแล้วก็คือเหล้าดีๆนี่เองแหละวดากินเข้าไปแล้วเกิดพะละังกำลังมากคนที่ใจอ่อนก็กล้าขึ้นอคนที่กล้าแล้วก็จะกล้ายิ่งขึ้นว่าอย่างงั้นเพราะฉะนั้ น, น, นมนุษย์เราเวล า, ล า, ลาจะออกรบกอย่างพวกอรลีากะจะลบกับพวกคาราวิพะตามความรู้สึก เขาผู้อารยะเห็นผู้พื้นบูงในอินเดียนั้นเป็นพู้ยักษ์ไปหมดเป็นพู้ยักษ์ไปหมดบางทีกระดิบเมล็ดข่าเมล็ดข่าคือเป็นคนป่าเถื่อนเป็นเมสาพระคือเป็นผู้ในครานป่ามันมีความเจริญเมล็ดข่าหรือเมสาพระอย่างนี้เรียกนี้เป็นค่อยคําที่หยียดหยามแล้วก็ยักษะป่นนางีเรียกยักษ์าบางครงั้งก็เรียกกิ น, นระคุณอะไรก็ไม่รู้คือมันป่าเถื่อนกระทั่งไม่ย้อมจัดจอยู่ในระดับของการเป็นคน กูอายตระไม่ยอมรับเข้าในสังคมของคนเลยเรียกว่ากินละระคนอะไรก็ไม่รู้ทามาถึงหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อความยักษก์กอดีคันทัพพระก็ดีกินละระก็ดีเนสาพระก็ดีพวกเนี้ยเ ข, ข้าที่นักจินตะกุวีเด็กหินเอาไว้ในคําที่ชันหลังแล้วก็พวกนักเขียนเรว่าจ่ากับจินโ น, นหน้าตาต้องหน้าเป็นคนตัวเป็นคนค่อนขอ้างหลังเป็นลุก ล้วนแต่เป็นเรื่องจินตนาการถ่ายทอดจากพ่อพื้นจริงคือจากพวกคนป่าพวกพื้นเมืองที่มีอยู่ในป่าในประเทศอินเดียพวกอารยาก็ถิอว่าเขาเป็นชาติเจริญรุ่งเตนี่ทำอะไรเจริญรุ่งเรืเลยาตูเขา่าอรารยาเลยอารยากลย์หมายถึงผูท้ทีมีความเจริญแล้วรู้จกักใช้รถนึกมีกําลังความสามารถมากเนี่ยพิ้งยุคหินไปเส้นนานนานนมแล้วเข้าสู่ยุคทองแดงยุคเหล็กแล้วเวลานี้ไม่มีการใช้หินในหมู่อารยากลยแล้วแต่พอเข้ามาถึงในอินเดียไปเจอพวก นอกจากพูทคราวิทะาซึ่งยอมอยกให้ว่ามีความเจริญพอปั้บพอเหวี่ยงกันแต่ว่าที่อยงนั้นก็ไม่มีรถติดรถแท้รถแท้พูดคาราวิท่าก็ปลูกพวกอารียกะจับอยู่ในพว ก, ย, ก, พวกยักษ์ฝาพูดยักษ์ไปแต่ในพู ด, ว ย, วด ย, ยักษ์ดูดีหน่อยยักหน้าตาเป็นคนนะลันนาากษณะการค้ายสองคบคนแต่ว่าหน้าตามันดูร้ายตามที่พวกอารียกะวาดขึ้นมาแต่ว่นอกจากพูดคาราวิท่าแล้วยังมีไอ้พูดขึ้นด้วยซิพูดนีกรยที่ผมด่าว่าไว้อะ ห่วงเงาะนิคอลยังตกข้างอยู่อ่ะหนึ่งผ่าไม่เป็นต่อไฟก็เหมือเป็นกินแต่เนื้อดิบใช้อาวุธเอาหินขว้างเนื้อตัดมาจินพวกนี้แหละถูกจับในพวกกินละระนั้นแหละกินนอนพวกกินคนอะไรก็ไม่รู้ทําอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จักควาฟไม่รู้จักหนึ่งผ่ามันไม่รู้อะไรก็ไม่ไม่ทราบเลยทั้งหว่ากินละระคนอะไรก็ไม่รู้อยู่ตามต้นไม้บางพวกก็มาอยู่บนทํำรังอยู่บนกิ่ไม้สูงงก็มือนละจริงๆอ่ะเหมืนลพราะนั้นมีอาการกินละระเข้าไปมากบางพวกก็เป็นครุฑทะครุฑทะ เนี่ยเป็นครุฑปัดครุฑแบบนี้อยู่จริงๆไหมครับอาจารบาคุแต่คนเป็นลูกชนิดหนึ่งครุฑตัวใหญ่ขนาดอีแร็ควันนี้ในนี้มีลกหรือลูกชนิดดี้วรือว่ารูกตเป็นตัวใหญ่ขนาดอีแรกแล้วก็มันไม่ได้หน้าตาไม่ได้อุ้นทบายอย่างในแางหรอกไม่ใช่อย่างไรนะมันนักเขียนมาสร้างภาพเพิ่มเติมรร้ายต่อไปนะข้อทีจริงมัน็ลูกใหญ่ชนิดหนึ่งประเทลูกอินทรีนั่นแหละเรียกว่าครุฑตาโอเคอีแร็คลง่ายๆอีแรกแต่ผมจ ถ้าคุณเดียวกับแรงแต่ไม่ใช่แรงคนละสาขาเป็นครุฑะเจ้าลูกในอินเดียอเมื่อเป็นเช่นนี้พวกพวกเหล่านี้ผูกจับไม่ใช่มนุษย์พวกอรารยกาต้อ ง, องกร้างอุปโลกอุปโภกขึ้นมาว่าเวลาจะลบกระพวกเนี่ยเราจะต้องสังเวยอยู่นั้ำโสไม่กระเทวดากินอะหารอรารยกาจะออกลกูกต้องร่ังอุราบานกันผูกใจเหกล้ า, หารหันให้บ้าระห่มแล้วก็ยกกองทัพไปจู่โจมหมู่บ้าน หรือตามบ้านป่าของพวกคนต่าเหล่านี้ได้พวกคนป่าก็ดีพวกชาวพิทากษก็ดีไม่รู้จักการนั่งโสงกินยิ่งถูกพวกสุราคือพวกหาลิยาจารียกว่าอสุราอาสุราเพราะไม่มีน้ำสุราจะดืสุรคือพวกดูมสุราเป็นเอสุราเนี่ยเด็กตั้เองสุราก็ก้าอานเพราะในกินน้ำเหล้ายอมใจให้ก้าหานเนี่ยสุราไอ้พวกที่ไม่เคยกินเหล้าเลยว่าสุราสุรี คู่ไม่กล้าหรือผู้ไม่มีสุรายจะกินอสุรายเนี่ยต้มน้ำโสไม่เต็มกันน้ำโสไม่เต็มกาอย่า ง, งานั้นลบกันเข้าอันนี้ก็เป็นบอกเกิดของเทวุหรือสงครามเทวุหรือสงครามเกิดนี่อันในอินเดียตอกมีมีมูลเหตุนี่อ้ า, อาวแล้วผู้อารยศเข้ามาในอินเดียอ่ะอินเดียภาคเหนือต้นทองก้าวแหม่เป็นตอทองก้าวติงสุกะดึกเป็นไมหมดเพราะนั้นเลอะดูตอกทองก้าวมานเนี่ใบร่วง มองแดงซึ้ไปทั้งป่าเกิดความประทับใจดูในไกลๆไปหนึ่งว่าเกิดไฟไม่ป่าแต่ไกลแต่แท้าจริงไม่ใช่หรอกดอกทองกวางน่ะมันทั้งป่าเป็นจริงตุกากลึกไปหมดพอใบร่วงแล้วมันก็ดูเป็นเปลวไฟสิความแดงของดอกเนี่ยเพราะฉะนั้นความคิดของพวกอารยกาก็ลึกถึงต้นปาริขัตตะกะในสวรรค์ต้นปาริขัตตกะว่อ๋อต้นปาริขัตตะกะในสวรรค์เป็นอย่างไรนะต้นทองกวาลึกจริงสุกาลกลึกเป็นมนุษย์โลกมนุษยนะ์น่ะ ก็ น, น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เกิดไอเดียหรือจินตนาการมนุคติที่จะสร้างถึงพลนาถึงกลุ่นไม้สวรรค์เป็นยังไงยังไงยังไยจากข้อเท็จจริงที่เข้ามาพบประสบการณ์ในอินเดียนี่ดเลออถาถึงตอนนี้แหละคําว่าอานาจักรพาลตาไม่เกิดขึ้นคําว่าพารตพาลตน่ะเป็นคําของกษัตริย์อินเดียโบราณองค์หนึ่งคือท้าพาลตเป็นผู้สิทธิแพ่จกกักรวรรดิมีอาณาเขตครอบงํำในสมุทรสี่เป็นเขต เป็นจกักรวรรดิองค์แรกในองค์สวัดานของอินเดียในสมัยยุคดึกดำบรรพ์แล้วก็ต่อมาเกิดมีการแบ่งอนาเขตเมื่อผู้อารยิกาตั้งเป็นหลักฐานแล้วก็แบ่งอนาเขตออกเป็นฝัดเป็นส่วนแต่ระหว่านลูกของการปกครองชาวอารยันได้ใช้ระบบการปกครอง2แบบดังข้อความที่มีเก่าในภาษาภาษาอังกฤ ษ, ษที่มีผู้แนมะเก่าให้กับเท้าสนกฟังว่า เดวะเอจิตเดชาคณะศินะะเอจิตเดชาราชาศีนาแปลความว่าข้าแต่เอวะข้าแต่มหาราชในชมพูทวีปนี้บางถิ่นเขาก็ปกครองด้วยระบบคณาทิพไตในชมพูทวีปนี้บางถิ่นเขาก็ปกครองด้วยระบบราชาทิพไตยพระเจ้าค่ะเดวะเอจิตเดชาคนาศีนะะเอจิตเดชาราชาศินานี่แปลจากภาษาพจกิร์ตว่างั้นระบบคณาทิพไตนั่นก็คือ ระบบที่มีสันทาร์ขังหรือมีให้ระบบปกครองด้วยรัฐสภาแต่รัฐสภาในทีนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าในราชสกุลในแคว้นนั้นมีสิทธิในการออกเสียงมีสิทธิในการบริหารรัฐกิจอย่างเสมอภาคโดยที่เลือกเอาประธานสภาเป็นประธานคนหนึ่งอย่างยกตัวอย่างเช่นพวกเจ้าวิชวีอย่างนี้พวกเจ้าแคลสกยะสักยะชนบทอย่างนี้อมีพวกเกาหนึ่ง ตระกี้วงหนึ่ง 1, ลิชุยวงหนึ่งมันวงหนึ่ง 1. พวกนี้ปกครองในระบบคณาธิปไตยคณาจิงนะฮะคือะคณะทิพ ย, ย์ปัยไม่ใช่คำว่าคณาธิปไตยหรือปกครองในหมู่คณะเนี่ยเป็นคําโบราณหรือเกินระบบปกครองในคณาธิปไตยเนี่ยเป็นคําโบราณมากแล้วก็บางแว่งแครกับประครองด้วยระบบราชาธิปไตยอันประกอบด้วยวังสักเกตีกุรุแล้วก็มคคคะอุสราอาวันตีนี่ พวกนี้ปกครองด้วยระบบราชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นระบบการปกครองในยุคของพุทธกาลคราวนี้เวลานั้นน่ะได้กล่าวมาแล้วว่าเกิดเมื่อเกิดระบบวันละขึ้นการสืบสกุลหรือการเตกของมรสในระหว่างวันน่ะก็ถือกันอย่างเข่งคับมากเกิดมีปัญหาว่าวันละกษัตริย์จะใหญ่กว่าหรือวั น, นักความใหญ่กว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างของวันละมีมานุนนานกาเลและเกิด การต่อขู่ระหว่างวันนักษัตริย์กรรมนาครามะจะเห็นได้ชัดในประวัติขอลูสีในศาสนาฮินดูครับคือเท้าวิศวามิตรพระวิศวามิตรเองนะเกดในวรนนักษัตริย์แต่เพราะว่าพระอุ้ยถูกประมาทประมาทจากพวกครามแต่ว่าวรรณักษัตริย์น่ะไม่มีโอกาสที่จะเป็นคมเป็นพระมารูสีขึ้นมาได้หรอกอย่างมากถึงจะออกบวชก็คงเด็จได้ขั้นราชารูสีที่จะหวังเลื่อนตำแหน่งขึงรร้นเป็นพระมารูสีนั่นไม่ได้ ผู้ที่จะเป็นพรหมรูปสีได้ต้งท่านจะต้องเกิดจากบรรณาคลางและไปออกหัตดำเห็นตะบะถึงจะได้เป็นพรหมรูษีว่าอย่างนั้นข้าวิษณุมิตรก็ตั้งการจะลองดีต่อข้อท้าทายของพวกคลามในข้อนี้พระองค์จึงดุส ร, ราลาออกปเป็นดำเหนตบะเพื่อที่จะให้เข้าถึงความเป็นพรหมรูปสีได้ผ่านจากรูปสีชั้นต่างๆตั้งแต่ชั้นต่ําขึ้นไปเป็นลําดับพอถึงชั้นอุกฤษที่จะเป็นพร พระผู้เป็นจเจ้ามายอมระับตําแหน่งขมารุสีให้ราะว่าเสียใจเพราะพระองค์เกิดเป็นวันนักกษัตริย์ไปแล้วไม่สามารถที่จะจรับตําแหน่งเป็นขมารุสีได้ท้าววาิษณุกิตต์ยังเห็นตะบะต่อไปก็จะให้ได้สมโลกก็เดือดร้อนจนเป็นเหตุให้พระพรหมเองอหมดสัญญาจำต้องยอมยกท้าววาิษณากิตรขึ้นเป็นพรหมทั้งๆเป็นให้ขมารุสีขึ้นทั้งเป็นเลยเดียวนรีก็แสดงให้เห็นเป็นของสะท้อนว่า การต่อสู้ระหว่างชนชั้นสองวันนะคือขัตจียากาับความไม่ที่สุดขัตจียากเป็นฝ่ายชนะชนะผู้ฝ่าเพราะฉะนั้นจึงพุตปราสิตธิบอกว่าในหมู่ผู้รังเกียจโทษเนี่ยขัตจี้ยากโทษเนี่ยประเสริฐในหมู่ผู้รังเกียจโทษส่วนในหมู่ที่เทวดากับมนุษยนะ์เนี่ยผู้ที่ถึงครอมด้วยวิ ช, ชาจรณะเนี่ยประเสริฐนี่นี่อันนี้เป็นผลาจากการต่อสู้ระหว่างของชนสองวันนะตั้งแต่ก่อนยุทธการมาแล้ว อะไข้อนี้เองนี่แหละครับจึงเป็นเหตุให้มีปัญหาว่าทําไมพระผู้มีพระภาคของเาราจึงมาถือประสูตดในแว่นแคว้นสักจจคชนบด ท, ทั้งๆ ท, ที่เวลานั้นน่ะแว่นแคว้นสัจกคชนบทก็เป็นเพียงแต่แคว้นลเล็กๆที่อยู่ในพวกนี้นั่นคือประเทศราดของแคว้นตู น, นในข้อนี้เราต้องคํานึงข้อเท็่จริงว่าเวลานั้นน่ะวันหน้วันหนาควนนาวมบริสุทธิ์ของวันหน้าเนี่ยสําคัญยิ่งกว่าชาติพงษ์ ไม่ว่าเราจะไปเกิดในประเทศเอกราชหรือในประเทเอกราชก็ตามถึงแม้จะเป็นอ่ามหาอำนาจแต่ถ้าชาติพงษ์ของเราไม่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นข้อที่น่ารันเกียจของประชาคนที่ถือวรรณะทาั้งหลายในอินเดียอย่างพระเจ้าปเสนที่ไะพระเจ้าปเสนที่เน่ยเกิดในวรรณะต่นนํ า, านะมันจะวรรณะเกษตรตัวกาเนิดแล้วก็มาได้ราย ส, สมบัติเมื่อได้ราช ส, สมบัติแล้วพระบิดาพระองค์ที่พระเจ้ามาหาโกรุศนี่ยมาได้รายสมบัติ พระเจ้าปเสนทีจะส่งพูดไปขอที่ดาศสักยะมาผมรถด้วยพวกเจ้าสักยะยังสร้างข้อรังเกียจพระเจ้าปเสนทีว่าพระเจ้าปเสนทีหน่าวงวานต่ำนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว อ, อย่างว่าตำแหน่งวงวานไม่สําคัญเท่ากับ เ, เ, เ, เลือกเนื้อเชื่อขายความบริสุทธิ์ที่สืบทอดมาเพราะฉนั้นไม่ตำนัคดีทางพระศาสนาจึงถือว่าพระนางศิริไอไมใชพระนางสิริมหามายาสันติสุทฤูดิสัตต์ก่อนหน้าที่จะมาถือประสูตในชมพูทวีปน่ะ พระองค์จะต้องเลือดชาตเลือดสถานที่เลืดสกุลและเลือดมารดาที่เจรณาเป็นรดับท่าน<อ>ทั้งๆในเวลานั้นกษัตริย์สมบูรณาญาติจิราที่มีมหามำนาจเกรียงไกพระองค์ไม่ได้ประปูดในเมืองอัจฉริ์พระองค์ไม่ได้ประปูดในแค่นวันตีพระองค์ไม่ได้ประสูตไม่อาณ า, า, าจักรวงกังสรกมีเมืองโกสัมพีเปเมืองหลวงพระองค์ไม่ได้ประปูดในเมืองสาวัตถีข้ามเมืองเหล่านี้หมดเมืองเหล่านี้ร่วมแต่เป็นสมบูรณาญาติจิราช เป็นมหาหนาชั้นหนึ่งในอินเดียในครั้งนั้นด้วยว่าสีมหาหนาเวลานั้นอะวงังจากอวันตีกูสระมะัคคะสีชาติสีแคว้นนี้เป็นมหาณาจักรที่มีอำนาจพอพัฒน์เหวิยงกันในค้างนั้นอ่าพระกูฏิศักดิ์สมุติเทวราชข้ามสี่แควนนี้หมดไปเลือกเอาศัจจัชนบทหรือแควนสากยะซึ่งเป็นแควนเล็กพระเจ้าจกูฏิศกดิมหาหนากสีแควนนี้ละเปลี่ยนเข้าไม่ได้เลยทางกําลังทหารก็ดีหรือทางอาณาบริเวณ ความใฝ่าลของงูพีก็ดีเข่ยเขาไม่ได้หรอกเป็นแขวนเล็กกว่าเขาแต่ถ้าถึงจกเป็นแขวนเล็กแต่วงศ์สกุลเหล่าสูงถึงกว่าไอ้สี่แ้นนี้สูงกว่ามากวงศ์สกุลเนี่ยที่สูงกว่าน่ะมูลศักราชสืบมาจากสุริยวงศ์มูลกระตัดโบราณของอินเดียที่สังคมอินเดียยุ่งยั่งมากมีอยู่สองวงสูริยวงศ์วงหนึ่งกันทรวงวงหนึ่งสวงนะสุริยวงศ์ีวงกันทรวงวงหนึ่ง แล้วองค์สากยะเนี่ยเป็นสาขาของสุริยวงศ์เ้นของพระมวงขององค์สากยะคือพระเจ้าโอกากราหรือเรียกกในภาษาอังกฤษว่าข้าวอิตวาวุเป็นพระเจ้าแผ่นดินของอนาจักรูสนสมัยเก่าแก่หลายร้อยปีก่อนหน้าพุทธกาลอของอนาจักรูสนแล้วก็ภายหลังเมือ่อพระองค์มีราชโอรสมากได้แบ่งกําลังใหราชโอรสออกไปสร้างบ้านแปลงเมืองพวกหนาา้าไปสร้างนรื่อตั้งตัว ไม่ต้องเอาเอาแต่โรกกรุงน้อยมาอยู่สืสกุลทางเมืองพ่อพี่ๆ อ, ออกไปตั้งเมืองตั้งตัวกันเพราะแผ่นดินในเมพูทวีปนะ่ะทายาทกันอย่างสมันโบราณว่าล่างยาวตั้งแปดหมื่นสี่พันเล่แต่แดนไกลเมื่อพี่ที่จะให้สร้งางบ้านแปลงเมืองนี้มากนะันนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลในสมัยโบราณที่ต้องการขยายอาณาเขตเพื่อจะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าโดยใช้วิธีแบ่งกําลังให้โอรสออกไปสร้างเมืองใหม่สร้างแผ่นใหม่ มา ย, ยบปาอย่างนี้น่ะมันอดของไทยเราก็เคยทำมาแล้วทำมาละทมาแล้วอย่างปู่เจ้าเราเจะปู่เจ้ า, าเราสจกทีม่อมองเขิงมองแขงอ่ะเวลานี้มึงบ้านค่อน 12. จสองสุดท้ายเดี๋ยวนี้นมีลูกสังเกาคนน่ะยี่้าลานไสจูงสงขุนสามโขหรือไทยคงนี่ปู่นี้เห็นไหมปู่ออกมาสร้างบ้านแปลงเมองสั้งอาณาจาักรล่างท้างเวียงจันทร์ศิษฐานาคณาหุต าอาณาจักรสิเก้าเจ้าฟ้าลงมาฝ่าอาณาจากักรไทยนารายไทยปราการอยู่นุกหน้านครยิรันเงินยังเชียงแสนเนี่ว่างมาขยะนอาเขตบริเวณหมดเนี่ยก็ปมถือตาม น, นโยบายของกษัตริย์โบราณในคมปูวีดมาก่อนนะอย่าทำให้ลูกนีเต่าแล้วคุณดิงเงนี่ยกว่างกว่างนออกไปถางบ้านแปลงคงเงไปสร้างบ้านส้างเมือใหมเ่เียอย่างนี้เป็นการพัฒนาประเทศชาติเป็นการขยับขยายประเทศออกไปให้กว้างกวางขึ้นมีเป็นนโยบายของคุณโบราณเขาฉลาด พระเจ้าอสวาปุหรือโอกากา ร, ราชก็ทําตามนายนี้แหละองลูกก็ไปสร้างบ้านแฟลงเมืองลูกขั้หนึ่งก็มาสร้างอยู่ที่แวนแคนสักกาตั้งเมืองกบิลพัทขึ้นตั้งที่อันเป็นชาติภูมิของพระพุทธเจ้าเวนแคนสักกาเวลานี้อยู่ในเขตประเทศในปารซึ่งเป็นเอกกราภ์เอกราชัณเล็กๆประเทศหนึ่งในอินเดียต่อแดนกัติเบตนะ อ่าเพราะฉะนั้นเมื่อมีสองวงสุริยวงกับจันทราวงอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ถูกเรียกว่าโคตมะโคดโคตมะโคดคําว่าโคตมะโคดน่ะคนที่ไม่รู้นึกว่าวมุงพุทธเจ้าเรียกโคไปแปลคำ ว, ว่าโคโคหรือว่าเรียกโคบางคนไม่รู้ว่าโคตมะนี่เรื่องสีดวงวงโคไม่ใช่เรื่องโคแล้ว ค, ลครับคําว่าโคตมะแปลไปหลายอย่างแปลว่างูกระดาษโคนี่แหละแปลว่าโคตามตัวกระดาษ แปลว่าดอกทานประวันก็ได้โคตมะเนี่ยแล้วแปลว่าพระอาทิตย์ก็ได้โคตมะแปลว่าผููกระเจกก็ได้คํ้ามาโคตมะเพราะนั้นโคตมะโคตรน่ะโคตมะโคตรเลยนะในที่นี้หมายถึงวงสุริยาสุยวงวงพระอาทิตย์บางครั้งเาใช้คำว่าอาทิตย์อาทิตย์จะโคตรอาทิตย์จะโคตรอย่างในกัปชาปูตตดกับปชาปูดมีสารว่าดูก่อรขราชายังมีชนละหมหนึ่งอยู่เชิงป่าดิมพานนะ ในสรรพชาสูตรตัดสรรพจารมีสารว่าดูก่รทศราชายังมีชนบทหนึ่งอยู่เชิงป่าดินมะพาวนะลร<อ>าออกบวชจากักยะองค์อาทิตย์โยโคตุนเราเป็นอาทิตย์สกุลเราเป็นักยะเราบวชออกมาจากบรรพชาแล้วจากจากมุ่งสกุลนั้นกําลังแสวงหาทำความเพียรเพื่อความดุนทุกข์อยู่ในปรรพชาสูตร <ke> <Okay. S 1> Ot, ot, เพราะฉะนั้นในข้อความอย่างนี้่คําว่าโคต玛โคดเนี่ยต้องแปลว่างูฆ่าอาทิตต์โคต玛เราฆ่าอาทิต์กระดับโคตม玛เนี่ยมืออย่างคาว่าน่านาโคหน้าเลยแต่แปลว่างูใหญ่ไม่ได้หรอกงูใหญ่ก็เป็นนาโคช้างก็เป็นนาโคผู้พระเจ้าสูงสุดก็เป็นนาโคเนี่ยคําว่านาโคเลยทีนี้แต่ได้หลายหลายหลายหน่วยยาของโคต玛เหมือนกันเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้เลือกอุบัตในสกโยโว ซึ่งเป็นวงที่พวกพราหมณ์เป็นพวกรังเกียจเดียดฉันในวันณ่ที่สุดแล้วยังย่อนยกให้หย่ยอนยกให้หลวงสมุนนาคโคโดมเนี่ยท่าว่าทั้งทั้งโคดแล้วเราจะมีใครไปรเทียบเท่าได้เลยบริสุทธิ์ทั้งฝ่าบิดามารดาถึงเจ็ดขั่วไม่แสบต้นหรือมูลทินไใดทั้งสิ้นแม้เพียงเหตุแค่นี้ก็เพียงพอที่พวกเราจะขุนขวายอ้าวพระองค์กันนี่พว ก, ร ก, พ, วกพราหมณ์นะที่เปดุพูดตีตั้งข้อลังเกียจหนึ่งวันณะมากที่สุดแล้วพอมาถึงพระพุทธเจ้าเข่าประว่าคุณธรรมของสมุนนาคโคโดมข้ออื่นยกไปเะ เอาข้อให้หนึ่งขูดนะว่า ท, าทัาเถอะหนึ่งขูดเนี่ยพระองค์ ก, คก็รู้สึกไม่ลักหนาแล้วเพียงแค่นี้ก็เพียงพอที่เราจะนาาคนาให้แ้าพระองค์แล้วพระามเขาว่างนั้นนี่เป็นวาท่าของโสมระครามโสมตครามแต่อายุร้อยี่สิบปีอยู่มือจำตาละครอยู่มือจำปาแล้วก็สร้างอาสมบทสอนลทัทิอยู่ริมสะโขคราีชื่ว่าคัคคราแข่งหนุนนครจำปา พวกพรามใหญ่ใในอินเดียเคารพโอคราซาตีพรามเออยังกีพรามเอตารุกกะพรามเอทั้งโสนิพรามเอพวกนี้เวลาให้เวลาจามก็ข้าพเจ้าขอนอกรอบโดยท่านโสนะทันทะเวลาให้จามตกอกตกใจหรือเดินพ่าดุกเขมรตกลมพลาดท่ า, ทางไงลงไปตกใจขึ้นก็ข้าพเจ้าขอความนอกน้อมจงมีโดยท่านโสระทันทะเพราะว่าเป็นมหาพรามแห่งมหาพรามล่ะมหาพรามของมหาพรามอันบรรด า, ามหาพรามในอินเดียทั้งหลาย ยอมยกใ ห, าาเาาห้เป็นปาจริยะเป็นปาเป็าจารย์เป็นปาาจารย์ขีหนึ่งเป็นปาจริยะพวกเนี่ยเขาออกมาออกวนหนึ่งพระพุทธจเจ้าเสด็จไปถึงของมีงจําปามาทับอยู่ที่ข้างตะโมคราีที่ว่าข้าคลามกันอิติศักดิ์ก็ฟุ้งๆตายแม้จะชาชนมาเฝ้าใหญ่สมและขันทารู้ข่าวเขา้าก็อยากจะไปเฝ้าบักพวกความรูกสิษ ย, ย์โ้ยอย่าไปอย่าไปไม่ได้ พระสมณะโคดมยังหนุ่มผมยังดำ่ันผมออกแล้วป็ร่วง ก, การผ่านวัยและอายุถึงร้อยี่สิบแลมันดามาหาพระในสมุทรภูทวเขโคพันแม่แต่ไอแม่แต่จามแม่แต่ท่าผมลุ่มยังเกา่าน้ำมันสกนังหนึงคันเลยและ้ะผู้ายหลาท่านจะต้องไปเฝ้าพราะพระสมนาคโคดมยังหนุ่มกว่าเด็กกว่าดวัยวุฒิไม่ควรไปทางที่ถูกแล้วพระสมนาคโคดมคนมาเฝ้าท่านที่นีงจะถูกสิมาหาท่านที่นีถึงจะถู ก, ท, ก ท, ท่านโครัทาก็พาราพุทคุณในปังอ้างเหตุผลว่าควรไปเฝ้ายังไงไมีอยู่ข้อหนึ่งก็บอกว่า คุณต้องมาข้ออื่นยกไปเอะเอาเอาเรื่องโค่ก็พูดล่ะโค่ตุโคตระหนี่มาพูดเพียงแค่ศักระวงศ์บริสุทธิ์ทั้งฝ่าบิดามารดานะ่ะไม่มีอะไรแปดกเพนนะ่อนคือมาแต่โคตมะองศ์พระอาทิตย์เพียงแค่นี้ก็พอล่าที่พูกเราจะขุนขวาไในเต้ากันพูกความลูกสิษย์บอเออจริงแค่ถ้าอย่างนั้นอย่าว่าแต่พรสมณะโคดมมาเยะมาอยู่แค่สวนที่สาะโบครีคักขาเลยแม้จะอยู่ไกลกว่านี้ที่จะต้องปราเตรียมเสบียงอาหารจ่าเตรียม ป่เตรียมขึ้ น, น่องหงุมระแรงไปเราก็โคลนไปกันนะว่างอ่ะเราก็เลยทั้งอาจารย์ทั้งลูศกศิษย์โคนยุคขยุัขย่าวพระเจ้าไปฟังคำพระพุทเจ้าค่ะนี่เห็นหรือยังถ้ามพระเจ้าก็เอานไปเกิดไปเลือกเกิดไปด่าที่เราต้องมาเลือกเอกิดในแฟนมีหามหามาตย์ใหญ่ๆหญ่ไปเกิดเป็นมือว่าจะเครื่อหรือมือโกงสนพวกความันจะยกล่องนี้มาไม่ยกก่องถ้าเวลานั้นพวกยังไงว่าสังคมยุคนั้นเกิดสังคมอะไรเพราะฉะนั้น ตามที่เนามป็พระพุทธเจ้านั้นน่ะต้องบริสุทธิ์ไม่มีตำหนิทางบุคลิกทางสายเลือดทางความรูทุกแบบโลยไม่ทำไมไม่มีเป็นรุ่งเนแดงแม้แต่นิดเดที่ใครใคเข้ามาตำหนิจากน่ะไม่ให้มีเพราะฉะนั้นจึงได้สรงนี้อุบัติเอาสักยยวงศ์ท่าท่าที่สักยยวงศ์เวลานั้นน่ะเป็นค้เล็กๆอยู่ขึ้นอยู่กับมือโกงโพระเจ้าพสัสนิที่มีอานาจปกครองถึงพระเจ้าพสันนินั้นมีอำนาจครอบงถึงนะได้กล่าวในเวลานั้นน่ะ มานินเดียวมีสี่โกศลมาคดวังปาอาวันตีสีแควนวกันมาคดเน่พระเจ้ามีสารปกครองมุ่งสีสุนะปกครองมาคดแล้วก็โกูลเนีพระเจ้ า, าพระเษที่ปกครองสื่อราจะสมบัติจากพระเจ้ามหาโกศลซึ่งเป็นพ่อสื่อวังปานั่นะพระเจาเาา้าจ อ, อุทเทนอสุสมทีอวันตีนี่จันทรพระชูดสี่แควอยู่ในมันชิมาชนบทปกครองหมดทั้งสีแควนนี้แล้วทั้งสีแ่แควนี้นะ ดำเนินวิธีผูายทางตาเมืองไม่ถูกกันหรอกโฉน้าภายนอกผูกกันไปข้างหนไม่ผูกกันที่ไม่ถูกกันน่ะคืออย่างนี้อ่าพระเจ้าพิมพิสารไปได้น้องสาวน้องสาวพระจ้ า, าเกษตรที่เป็นมเหสีแต่น้องสาวมาเป็นมเหสีเมื่อแต่น้องสาวมาเป็นมเหสีน่ะพระเจ้ามาหาโศซึ่งเป็นข้อตาก็เลยยึดเอาตาติกกะคำให้เป็นของรับไห้ของขวาญวันแต่างงานลูกสาวตาติกกะคำ ตาสิกามเนะมีเมืองพาราณสีเนะี่ยเป็นเมืองสําคัญอุตภิเมืองพาราณสีเนะี่ยเป็นอู่ข้าวอูน่น้ำอู่ซับเป็นเมืองเศรษฐกิจเจริญที่สุดในอินเดียการแจกจ้างการคมกรรมมาจากเมืองกาสีโอพัดกมาจากเมืองกาสีอะไรก็มาจากเมืองกาสีขึ้นแต่งชุดแต่งตัวของเมืองกาสีอุตสาหากรรมเป็นยอดเลยไปยกให้กับพระเจ้าประเศนเอศพระเจ้าเป็นมีศาลเป็นของขวัญในวันแต่งานลูกสาวไปพอพระเจ้ามาหาตัวถึงขบรนคต พี่ชายของเมียพระเจ้าอิสานสมุทรราชชื่อพระเจ้าเกษมที่สมุทรราชใหม่ๆก็ยังเป็นไมตรีการราชเครื่ดีอยู่แต่พอเกิดเรื่องอันชาติศัตรูไปทําปีตุขาข่าเท่านั้นเองพระเจ้าเกษมที่ก็อ้างเหตุแบอบกว่าพุ้ธบัตรของพ่อไม่มีสิทธิปกครองศัตรูฉะนั้นำนาจโกศลต้องการริษอาการจักรครามคืนอาชาติศัตรูไม่ยอมไม่ยอมก็รดลูกหลานลดเป็นข่าวลดกันสี่ครัง้งโูศนแพ้สามครั้ง ไขหน้าแพ้เด็กไม่ทันติ้งตินน้่มนมพระเจ้าข้าตัวเราอายุสิบหกปีก็เลยที่ทํำปิทุกข่านะอายุสิบหกเนอะแต่บทบทิดกฐินกฐาทเขาอายุสิบหกแล้วก็ลุกตนะลุมเนี่ยก็ตอนนั้นแหละสิบหกสิบตอนนั้นแหละพระเจ้าประเสริฐที่น่าโอ้สองสีแล้วก็ไขหน้ากินไม่ได้นอนไม่หลับปุ่งใจแล้วแพ้เด็กไม่ทันติ้งตินน้่มนุมพระเจ้าประเสริฐที่ก็ต้องใช้อุบายอุบายในที่นี้คือใช้บิธีเรียกว่าอย่างหาเล่ หาเล็กในทรงชั่วแนวที่หาหรือว่าชบุรุษปอมแปลงไปนั่งตามร้านขายเหล้าบ้างตามตลาดล่นส ก, กาวบ้างตามเมอกี้สันขาตารที่เขาประชุมกันอภิปรายถกพวกนี้ไม่ว่าเขาเป็นปัจจุบันนี้ก็เที่ยวตรงสัจติบาลรับไปนั่งตามร้านกาแฟเอ่ยวงการทำงานเอ่ยแถวสนามหลวงบ้างเอ่ยตามที่คนจอดรจะขึ้นมาก ๆ, ๆเอยแบบเนี้ไปยังเสิงประชาชนดู อย่างดู้ระเจ้าวิภาวิจารณนงการเมืองไนบ้างจะฟังวามคิดอ่านจะประชาชนราช บ, บุรุษของพระเจ้าพระเศที่สี่งไปนั้นน่ะหลายสายด้วยกันมีอยู่สายหนึ่งที่ไหนเลยอย่างมาอย่างในวัดเชตาวันมาอย่างในวัดเชตวันนึกว่าที่ไหนที่ไหนจะลองมาอย่างเสียงข้าใ น, าาานวัดดูที่พระธรรมร ว, ททวิจ า, ห ร, ารหนึ่งการเมืองระหว่างมรากับคนยังไงบ้างเในวัดเชตาวันนี่าหงตาสองลูกบวแกเมื่อยังหนุ่มอยู่น่ะในนายทหารรับราชการในนายทหารนะ มีตำแหน่งเป็นเสนาธิการด้วยตำแหน่งยศอ่ะถ้าอย่างยืนนี่ก็คงขนาดต่อขนาดไม่พันเปนอย่างต่ำละเสนาธิการน่ะสายเหลืองคล้องคอเอ้คล้องแขนแล้อ่าไปแล้วอแอบดูเต้าุติอตุติในสมัยนั้น่ะก็โถก็มันก็ให้เข้าเรือไม้ไม่มีอะไรแข็งแรงมันจะตึกเด็กเอย่างที่เราอยู่กันเดียวนี่แหละครับพูดแล้วก็เลยยินสามบ้านแปดช่องแอบฟังๆอยู่ลุงตาขององค์ข้าวมือจะคุยหรือยังไงก็คุยเรื่องการเมืองคุยวิทยาจิกันวิ่กันคงหนึ่งก็บอกว่า ไม่ได้ความเลยท่าเจ้าโทถงเรานี่ใช้ไม่ได้ความอะไรลดลบแท้ท่านเจ้าราจะคืบนี่งั้งงนว่าเด็กกว่าอีกองคนหน์หงมาหาถ้าเป็นท่านน่ะถ้ามีวิธีชนะหังยังไงผมนั้นก็บอกว่าถ้าเป็นผมนะในสมัยที่ผมเป็นแม่ทัพในกองอยู่ต่อธรรมดายุทธวีชัยนะ่ะมันมีหลายแบบเดีกันคือจะใช้ปฐุมพยุหะ ก, ก็ดีจกกักรจักรตาพายุหะก็ดีอ่ามันมีหลายแบบเดียวกันนี่นะ น, นี่ถ้าเป็นผมนะ ผมจะเอากองทหารสองกองไปก่อนในที่แคบและอีกกองหนึ่งไปทําทีทแตะทับล่อกองทัพราชครห์ให้ตามมาและในกองทัพราชคฤห์ อ, อาลามที่อยากจะได้เฉลยอ ย, อยากจะได้สัตราวุฒิไล่ตามกองทัพของเรามาอย่างเนี้ยเราก็ ห, หานักสัญญาในกองทัพสองกองจะซ่ น, นในที่แคบนะอ้อตัดกองทัพเป็นสุกเ้อมาพวกนั้นก็หมดเรื่องว่างัไงราชบุรุษาังหูขึกเจ้าเออได้การไดอความคิดตอนนี้ได้ความคิดดีจากพระแล้ววันนี้ รี่ไปทูพลพระเจ้าพระเจ้าโกศพระเจ้าโกศหมดได้การขึ้นี้ื่อนทับตีมะคบต่อไปเอาละทําตามอะไที่ข้าเปนว่านี่แหละหลวงตาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่มีสปายลับฟองอยู่ใต้ตินกับเราฟังตัวโกอยู่ไม่รู้เลหรอกขามสงคราม ท, ทั้งทีดีเนี่ยดันเลินตามอุบ า, ท า, า, ายทุกอย่างจับพระเจ้าจค่สติเลย้งเป็นจับได้ท้งเป็นเลยวันนี้ก็ไม่อยากจะฆ่าเพราะเห็นว่าเป็นหลานเอามาเลี้ยงไว้ในวังเอามาจักโกเป็นใคเลย ระหว่างที่เรียกว่าในวังเนี่ยหลานก็เลยทําลุงเจ้าสุกนี่ทำมันเจะไม่สูกเปล่าเอ า, เอาลูกสาลุงเปนเมียอีกคนนึงเจ้าหญิงก็เฉรี่ยบอกงรักกับพระเจ้าจัตรตูออกว่าว่ า, วาลุงจะลูกตายแล้วลูกสาเป็เมยนเนียของพระเจ้าจักรูแล้วอ้าวผมก็ได้ปล่อยโจนยอมจาัด ก, การแต่งงานให้แล้วก็เลยส่งการแกรรคำคือให้เป็นของขวัญไ่ต้องริบคืนกันละส่งให้พ่อให้ให้ลูกอีกดีนกันของขวัญชิ้นนี้ให้ทั้งพ่อให้ทั้งลูกดีแค้ของขวัญแต่งานนะ ท, ทั้งพ่อทั้งลูกเก็บไว้บ่ า, านี่หนึ่งของแคงนี่ทั้งมันเป็นไมตรีกันอยู่ขอมาในสมัยบนรลายเมื่อพระเจ้าเกนทีโกสงผูกวิทูตภาพโกรสเป็นกระหมดวิทูตภาพอ่ะคิดการรับกับทีคารายนะอมตะจะเป็นกระหมดต่อพระเจ้าโกสงถึงเป็นข่ออาพระเจ้าป็นพระเจ้าโกสงอ่ะเกิดเต้าพระุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงธรรมเทรนาสูตรใ้ัง เมื่อแสดงผูกเวลาแสดงธรามจุตวโยคุให้ฟังตามคำเนียม์พระเจ้าแผ่นดินเมื่อไปเฝ้ารมณพราหรที่เขารพแล้วยอดจะต้องถอดเอาภ้าโพกเอาอุนหิสออกแล้วก็เอาเรื่องครึ่งราเสกขุดพันออกให้ธีคารยนะหมานรักษาไว้ธีคารยณะหมัตพอได้ครื่งราชกุุดพันของเจ้าครูสมรอมแล้วทิ้งระเจ้าครูสมเลยเรียกกองทัพกลับเมืองสาวัตถีติดประตูเมืองยกทหารวิถูทะพจนสวยล่ะ พระเจ้าเกษมที่กูตุลมาตัวจ๋าไม่เจอกองรับเข้าเมืองก็เข้าไม่เข่ายังข้อดีวิทุกภาคมันเป็นญาตศัตรูนะไม่ข้าวพ่อเพียงแต่ไล่ข้อแม่อยู่ในเมืองไงพระเจ้าเกษมที่โกตุลก็เสียใจทำใจนึกว่าจะไปขอพึ่งลูกเขยหรือหลานชายให้ยกกองทัพปฏิบัติเมืองสาวัตถีกระโทงการคมนาคมข้างนั้นไม่ใช่เดี๋ยวนี้นี่ท่านเดินไปบุกบาบาเลงไป ไปตั้งหลายวันหลายคืนไปถึงมือเราจะคลึกก็เย็นแลประตูมือเขาปิดหนาวก็หนาวหิวก็หิวข้าวก็เหนือยลุท้อ ง, อง ห, ลหลายวันแกก็แกเวลาั้นอยุติศาสตร์พอดีพระเจ้าสินโกน้ขนอะเลยเป็นลมตายที่สารานอกเมืองกลางป่านั่นเองเพราะลุงคือมีคนบอกว่าพระเจ้าโก้ผมมันนอนตายที่นี่พระเจ้าอาตาประตูมาเยี่ยมศกหาที่เป็นลุงเราก็เป็นพ่อตาเราด้วยทำชาวมณฑิชแลเสียใจยพอดีข่าวทางโอสขส่งข่าวมาว่า พระเจ้าวิหูทพนั้นถูกน้ํำในอจิรบดีพัดจนตายในทั้งกองทัพหลังจากที่ไปทําลายเมุนกับเลทกลับมาแล้วชาล่าใจไปตั้งฆ่าอยู่ริมปางแม่น้ำอจิรบดีน้ําในแม่น้าอจิรบดีขึ้นมาพัดกองทัพทั้งกองจมน้ําตายหมดเลยเขาไปถูกทพจมน้ําตายเรื่องในน้าขึ้นคนตายนี่จริงๆนะที่จะทำเองไม่ต้องใครที่จาทำเนี่ยเวลาน้ําขึ้นเนี่ยทีดมากไม่ทันนทีดมากหนีไม่ทันเวลาน้ำทะเลมันขึ้นเนี่ย ขี่มากนี้ไม่ทันนะเนีขาว่ากันยังงั้นอ่ะโบรานอ่ะว่ากกันอย่างงั้นเนะวล า, น, านั่งทะเละมันลุกขึ้นมาเพราะนั่งเรื่องน้ําในกินดีแเวลน้ําอินเดียนนะ่ะเรื่องอกองทัพทหารทั้งกองตายเนี่ยเป็นความจริงเพราะนั่งในอินเดียธรรมดาเวลาน้ำโรเกตต์ปุ๊บตึ๊บแต่ถ้าเวลาน้าขึ้นอ่ะภายในห้านาทีมันลอยมาจากไหนเป็นเอือ้องสองฝั่งเลยนี่อันตรายมากแล้วธรรมดากองทัพพอชนะตึกก็กินราล้าเป็นธรรมดาเลี้ยงเหล้ากาันฉลองทำชัยบาลเลี้ยงกันก็มเมาสิ ที่นั่นยลกหนีน้ำทันเหล่าต้องจ้ําตายเป็นข้อแท้จริงตายหมดทั้งกองรัพนี่นี่เป็นผลกรรมที่ทํำลายศักระโ ย, ยงทํำลายมืิกรบิดาพัฒน์พอตายแล้วเมือง น, นี้ไม่มีกระตับตุกทั้งตีวงอาชาติศัตรูก็เลยได้แกล้งกู้ตสนมาพนวกเข้ามาในเขตนาคคตหวานหวานตด้เข้ามาแล้วหวานหวานแล้วอาณาจักรนาคโตรกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีสมัยใดเทียบเพราะรวมเอากู้ตสนด้วยรวมเอากาสีแกล้นกาสีด้วย เราไม่น้ำต้ำหยึ่งประตีเข้ามาฉีได้หลังจากคุตรปตะเปะ็นมีพานแล้วตีไงเลยสาหลีแตกตะกูานาเกตนาโคส์กินหมดอินเดียตะวันออกข้างแขบไม่น้ําองคายาบุนาทั้งสองฝั่งกินหมดส่วนวังตะกาวันตีน่ะเป็นศัตรูกันคอยขัดข้อกันอยู่เสมอแต่ในที่สุดก็ตามที่เราทราบตอนนี้อยู่แล้วพวกพระเจ้าจิทักษ์โชตจับพระเจ้าอุเทนได้เอาไปขังไว้จะให้บอกมนเรียกข้า บอกไปบอกมาโดยลูกสาวแต่เราก็ช่วยยังมีอ่กกระไดคอยจองอีกยอมไม่รู้จะทํายังไงนี่เป็นเรื่องของขังขมการเมืองอินเดียในขั้นการ ไ, ไปอย่างนั้นแล้วก็ในวงด้านทางศาสนาในด้านทางศาสนาศาสนาครามน่ะมาในยุคเข้ายุคพุทธกาลก็มีพวกนักบวชอีกพวกหนึ่งเรด้วยพวกสมณนะะแตกต่างจากครามนะพวกสมณะเนี่ยพวกทุอขอกข์ที่ครูท่านหัวใจเป็นพวกสมณะไม่จะแถม พวกสมณะในแตกต่างกับพรามเป็นผู้ที่มีข้อยามเห็นขัดแย้งกับพรามแต่ไป็รับบวดชพวกนี้เขาบอกว่างูเห่ากับพังพรอนยอกเข้ากันไม่ได้ฉันใดสมณะกับพรามก็ยอมเข้ากันไม่ได้แม่ฉันนั้นว่ากันอย่างนั้นปรากฏ ว, ว่ารักบวดในข้างหน้ามีสองพวกพวกหนึ่งคือพรามซึ่งมีทั้งคารืหัดมีทั้งมันทะชิดอีกพวกหนึ่งคือพวกสมณะสมณะนี้ไม่มีคารืหัดต้องเป็นมันมันทิดล้วน ลัทธิโค้ต้องอกอยู่ในโค้ตสมนะพระพุทธองค์ก็อยู่ในโค้ตสมณะนี้ด้วยเพราะเหตุนั้นโพ้ตความจึงเรียกพระองค์ว่าสมณะโคตโมเรียกสมณะโคตโมหรืวยาพระพระสมนะโคดมเพื่อยปแยกเห็นแตกต่างจากโค้ตความนี่เป็นขบวนการทางศาสนาเกิดขึ้นของขบวนการโค้ตสมนะนี้ปฏิเสธไตรเวทปฏิเสธไปรเวทสงครามเลยเนี่ยมันอยากเอาคำที่ศาสนาตัวเองขึ้นมาต่างๆไม่ยอมรับรองฐานะพระเวทว่าเป็นสรุติ ไม่ยอมรับรองฐานะของพระเจ้าของความวาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นไปอยู่ในพวกธรรมะอ่าในวันนี้ก่อนเพียงเท่งนี้ก่อนนะในว่างในวันนี้ในชั่วโมงนึ่งพอดีเอาแค่ธรรมะกับกรรมวันนี้ขอแตกต่างมลครับสิทธิ์ที่เขาจะปิดขแล้วข้อหรียนถามท่านอาจารย์ว่าการที่ธรรมมาได้กล่าวถึงเรื่องโคดมโคคือคโคของพระ ส, สกดาเรนี่ ที่ความเป็นมามาจากตัววงเครื่องในประเทศอินเดียที่นับถือกันนั่นเป็นส่วนมากแต่มาก็ได้รับความเข้าใจหลายประการดูกันคือการได้กล่าวว่าครูตะบะโคนนี้มาเป็นที่นับถือหรือว่าดอกแปรได้หลายอย่างว่าแต่ว่าดอกทานตะวันก็ะดับห ว, ว, ว่าครูตะมักแ่ร่ภูประเถิดก็ได้แต่แมาก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าคำนี้อาจจะเป็นพุทธโคตรหรือว่าประยุกต์เ ข, ข้ามาเกี่ยวเนื่องในสมัยนู้นว่าอาณาจิตรวิญญาณทะรล อย่างนี้ก็มีหรือว่าอาทิตโตปัปปะิโตโคตโมจักรยพุโตก็ได้อันนี้มีความหนว่ากะไรขอให้ศยย์ีก่อครับตรงไหนจครับมีามเห็ตรงกัทั้งใจเลยนะถูกแล้วเป็นผู้สพจ๊ะผู้พดโดยเิเลยขอจอเเพ่มเนขาศน์เป็นผู้สะพดท่งประจิตวิญารในขับ้าศูนยงค้รับท่านสมุทร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 ข้อสามถ้าเข า, าพูดว่าโลกนี้จะไม่ได้ความหลอกลวงอย่างนี้จะให้อาตมาตอบเขาฟังอย่างไรนี่จะเคยปลกมาแล้วาสาหรับข้อแรกนะครับึงริยธรรมแต่ก็ท่าธรรมต่างกันอย่างไรจิยธรรมข้อนี้นะแล้วก็แปลความง่ายๆว่าคือคุณสมบัติที่ติดตั้งความประพฤตชั่วเป็นสิ่ง ส่วนคานั้นคือคุณสมบัติเิดพาได้ประพฤติดีเป็นคำตอง่ายๆนี่แหละครับสีคือคุณสมบัติติดตั้งความประพฤติชั่วเีกว่าสี ส, ส่วนา Whatever, what ํานั้นคือคุณสมบัติเบิดออกซึ่งการประพฤติดีเป็นอำเน่ยต่างนี้อันนี้ติดอันนี้เปดสีนั้นติดคำนั้นเปิดติดต่อติดเปิดว่าไงนี่จะรับลักษณะข้อแตกต่างของคาว่าสีกับคำว่าค คุณวัฒนธรรมะแปล ว, ว่าคำที่ทําไม่เจริญเป็นปนได้ทั้งทางใจกับทางวัตถุเช่นมารายาคุณต้องปฏิบัติผู้ดี อ, อย่างนี้ก็เป็นวัฒนธรรมาการก่อสร้างทาให้สวยงามตรนณี้ก็เป็นเครื่องต่อวัฒนธรรมจิตใจที่มีศิลธรรมก็เป็นวัฒนธรรมเพราฉะนั้นวัฒนธรรมนี้กว้างมากกว้างกว่าคาศิลธรรม ข้อนำขั้งฝ่ายรับผูกกับฝ่าย จ, จิตใจในละธรรมก็ส่งข้อขอยู่ในวัฏฏะทางด้วยโดยความหมายนะครับสาหรับข้อสออถ้าก็ถามบอกว่าเป็นคนเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์จะตอบเขาฟังอย่างไรนะข้อนี้เราก็ต้องตอบเขาบอกว่ามาเป็นคนสิเป็นคนเพราะว่าคาว่าคนนะ่มาจากคาว่าชานะก็คือเกิดผู้เกิดเพราะนั้นทุกคนก็เป็นคน เราเกิดมาแล้วนี่คนคือมันจะคําว่าชนะแต่ ว, ว่เกิดมาเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าขนเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ก็เป็นตอบเราของเราเป็นคนเราถูกเราปเป็นอาจารย์ที่เกิดมาเป็นคนนั้นน่ะแม้แต่สัตว์ก็เหรออาจารที่สัตมันเกิดมามันก็เป็นคนเหนกันและชนะเหมือนกันนี่นะ่ะคือเกิดมาแล้วแต่ไม่พูดอีกไม่หนึ่งพระท่าอนอยากจะให้เห็นผมว่าเขาเข้ามาเย้เยกันแล้วนะฮะบอกว่า แต่เร า, าเขาไม่เห็นเราเป็นคนก็เห็นลราเป็นสัดว์เรก็ได้ถูกเหอนกันสัตว์เป็ถผู้ขอดเราบอกผู้ขอยังคล่องอยู่ด้วยโลกยังต้องมาเวียนไหวตายเกิดเป็นสัตว์ทั้งนั้นแหละโอเคสัตว์จะมาเป็นสัตก็ถูกก็ระยังคล่องอยู่ก็ต้องเวียนไหวตายเกิดแต่เขาบอกว่างัาจะให้เห็นตัวนษก็ถูกมีอ น, นกั น, นมนุษย์ต ม, มุษเนี่ยมาจากเขาผู้มีใจสูงมันมากบอกอุตสาห์มันน่าคือใจอุตสาห์มันทาให้สูงขึ้น ม น, ม, าามนุษย์ตัวยักษ์ก็เึ็มาจากคำว่ามนุษย์ยักษมาเป็นมนุษยยัผู้มีใจสูงอาจจะมาเบื่อแล้วใจต้องรักษาศีลรักษาธรรมก็กเป็นผู้มีใจสูงผู้มีทิทวีอดิตาผู้นั้นก็เป็นผู้มีใจสูงเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์ก็ถูกเป็นคนก็ถูกเป็นสัตว์ก็ถูกถูกทั้งนั้นต่อระหว่างนั้นนะครับเขาถามบอกว่าโลกนี้เป็นไปความหลากลวงจะตอบให้เขาฟังอย่างไรล้วก็อบอกว่าผู้กิเลสเพราะว่า อ่าลูกนี่คือมันก็ต่ำหน้าลก็ขันเนี่ยคือต่ำหน้าเวกธนาขันหนังเหมือนกับกองหน้าแล้วก็สัญญาหมก็ยัดแดดนะครับสัญญาหมูขยับแดดแล้วก็ไอ้เจ้าฝังขานหนังมันก็ตึงกระเวศวิญญาณน่ะก็เหมือนเหมือนนังมานักเล่นกนถ้าพูทธพระพุทธเจ้าผู้เป็นทงข่าวพระอาทิตย์ได้แสดงแล้วอย่างนี้นี่เป็อย่างนั้นเพราะในโลกนี้เปความหลอกลวงถุกแล้วเป็นต่อเมื่อเราอยู่ในโลกของความหลอกลวง เราก็ไม่ควรจะให้อคติหลอกลวงนี้ครอบงำควรจะรู้จั ก, จกแสวงหาสิ่งซึ่งเป็นสาระในสิ่งซึ่งไรสาระอุปมาเหมือนหนึ่ ง, งอาศัยร่างกายอันเป็นสิ่งหลอกลวงนี้แสวงหาความนทนุกข์ให้ค้นจากความหลอกลวงนี้ด้วยตัวเองท่านผู้หนึ่งถามมาว่าอาตมภาพอ่านหนังสือวิวาทะระหว่างท่านวุฒิธาตุกมอมคึกฤทธ์ในตอนหนึ่งมอมคึกฤทธ์กล่กาวว่า ทาสอนพุทธศาสนาบางข้อสอนแบบค้ากำไรเกินควรเช่นปักบาทเทียงขันเดียวก็ได้ขึ้นสวรรค์มีเทพมีเทพฏิดา5 0าร้อยนางเป็นบริวารทอมดอประสาทราชวังอัน ง, งดงามการที่มอมคลึกคิบกล่าวเช่นนี้อาตมาประชดจะเห็นด้วยราะเหตุสองประการคือหนึ่งอาตมาเองเคยทบธรรมะประเภทสอนผัดค้ากาไรเกินควรมาบ้างเช่นเรื่องนางลาลาชาเ ท, เทวธิดาในธรรมบท2 เพรหมอมคึกฤทิ์เป็นปราฏิคนหนึ่งของมืองไทยท่านผู้อันรายเราควรจะเชื่อสําหรับข้อสองนี้ไม่แน่นะครับในกรณีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะแก้ความสงสัยของอาตมากระหมอ่อมคึกฤทิ์ได้อย่างไรจะหายข้องใจพระพิสุขันชัยอาภากรโรถามมานะครับสําหรับข้อสองนี้ไม่แน่ว่าคําพูดของนักปราชญ์เราต้องเชื่อตะพื้นตะพื้ไม่ได้ต่ออหลักการลามสุขเข้าจับไม่ได้คาพูดของนักปราชญ์ข้อใดถ้าเป็นไปโดยบรรพราโลกเกิดหลงก็ควรเชื่อ ถ้เป็นสายบุญส่งเสริมโลกโปรดหลง ก, ก, ก, ก, ก, ก็ฟงังหูไว้หูก่อนนะฮะข้อ น, นี้นะครับาสําหรับข้อว่าทำบุญแ ก, ก๊กนึงได้สวรรค์ท่านว่าบวดวัดแปลกหนึ่งยกไปบวดบวดวัดแ ก, กด็กดังไปถึงไกลคศเนี่ยข้อ น, นี้ยเราต้องดูก่อนนะครับข้อ น, นี้อ่าบุญอะไรที่ทำถ้าหากว่าปฏิฆ า, า, าบุากไปหาลี้ญะบุกคนทาเยอ มีมุนจักะเจตนาดีอัประประเจตนาดีปุพเจตนาก็ดีบริบูรณ์สามก่อนให้กำลังให้หลังให้ทยายาคารนั้นเป็นของที่ได้มาโดยยากโดยสติกำลังตัวเองมาได้ขอรับท่านเข้ามาอย่างนี้แล้วถ้าทำไปด้เจตนาบริสุทธิ์แล้วท่านอุปมาเหมือนหนึ่งว่าเราปลูกเม็ดมะม่วงเม็ดเดียวทำไมได้กินตั้งพันตั้งหมื่นลูกละเวลามาเตอ่ะทำไมข้อนี้ทำไมเราไม่บัวธรทมชาตินี่อักติธรรมจริง ดูไปแล้มูแม่หนึ่งคนจะออกผลให้กินลูกเดียวพอดิแล้วมันก็ตายไปดูไปสองก็กินอีกสองเม็ดไม่สามก็สามเม็ดถ้ไม่หวานแล้วมันดินเม็ดเดียวเวลาออกลูกใครกินนึ่งพันพหมืนม่นหมื่นบางต้นนี้ต้องติดปีกว่าจะตายปีนึงออกตั่งหลายพันลูกให้เรากินน่ะถ้าไมเราไม่นึกถึงข้อที่จริงในข้อนี้เป็นไปได้ครับใอ้ตักบาทับทีเนื้อก็ได้สวานทัน้าเป็นไปได้แต่นั่นต้องอยู่ที่ว่างหนึ่งตปิฆาหกนะตปิฆาหกเป็นเรื่องนาบุญพอหรือเปล่าอยู่ที่นั่นด้วย แล้วก็เจตนาข้ายกนะบริสุทธิ์ทั้งกาละสามการหรือเปล่าทั้งปุกเจตนาบุนจะเจตนาอัปาปราระเจตนาน่ะมีอะไรลดหย่อนหรือเปล่าทานนวัตถุหนะ่าได้มาโดยบริสุทธิ์หรือเปล่าภาพบริสุทธิ์ทั้งทานวัตถุบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายขายกบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายปฏิคาหกแล้วร้อยเปอรเตแกร๊กหนึ่งดังหึงใทศจริงจรแต่ถ้าไม่อย่างนั้นบุกช่องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว ผลกรรมมันก็ต้องหย่อนลงมาสิไอจะไปให้สต า, านขอทานบาทหนึ่งแล้วจะอธิษฐานเนีสวรรค์นางฟ้าประหารมันก็ค้ากําไรสิอย่างเงี้อ่ะเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่เนื้อนาบนุญไม่ใช่พุทธิฆาตสองตัวเราเองนะให้ไปลาเราสะดุ้งเสดาเป็นรักหนะเป็นตาค่าหรือรักหนะเพื่อทําวามดีชนิดที่ว่าต้องการเรียกร้องชื่อเสียงหรือทําอย่างเสียไม่ได้อ่ามันต้องมันต้องหลายอย่างประกอบกันครับ มันมีทั้งรักษาไอ้ค่าสําายจนควรด้วยแล้วเป็รักษาที่เป็นไปจริงๆอย่างที่ข้าท่านว่าด้วยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยกเมฆหรอกก็อย่างที่พุ่มพมานี่แหละถ้าดินดีเม็ดมะม่วมันไม่เสียยังมียางเหนียวอยู่แล้วคนปลูกเคงก็เป็นคนตั้งใจปลูกมนันลดน้ำบนดินติดตามอยู่เสมอรับหล่อเม็ดมะม่วออกเพ่อให้เรากินตั้งไว้ยพันหลายหลาหลา ย, หลาย ห, ลายหลายหมื่นลูกทั้งทั้งติดปลูกไม่เสียแต่ถ้าไม่ปมูกในดินไม่ ด, มดีหรือประยระุกต์อาปลูกเป็นเม็ดมะม่วในทรายอย่างเนี้ พอแค่ลดน้ำมือหักมันก็ไม่ขึ้นมาให้เรากินปลูกในทรายไม่มีดินมีแต่ทายไม่เอาฝังกองทายไว้แล้วไปลดน้ํารวนดินสิไปลดน้ําเอาสิไปอ่อนไว้ให้มันงอกขึ้นมามันก็ไม่งอกปฏิกาหกไม่ถูกไม่ใช่ปฏิกาหกไม่ใช่เนื้อนาบุญอ่าเออไปปลูกเนื้อนาบุญแต่คนเจ้าของที่ปูกนั้นไม่ได้ตั้งใจปลูกแล้วไม่ได้ติดตามทีรลดน้ำพรวนองกช่างมันใครจะมาขโมยขุดไปหรือใครจะทําอะไรช่างมันเพราะไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ หรือดีไม่ดีปลูกแล้วยากน้ำร้อนแล้ากใบตาข้นไปอีกไปทําไร อ, อย่างนี้มันก็เป็นเงาะเหมือนกันอย่าไปโทษไปหลังกันเพราะนั่นข้อนี้ต้องพิจารณาครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับข้อนี้ท่าผู้หนึ่งท่านอัตรคโขภิคถามมาว่านโยบายการเผยแพร่ศาสนาของแต่ละศาสนานั้นมีแนวทางแตกต่างกันเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามโดยเฉพาะอิสลามใช้อํานาจกดขี่จนกระทัางฟุตศาสนา ผูกคำลายจากประเทศอินเดียจนหมดเรื่องนี้มีความรู้สึกอย่างไรข้อสองเรามีวิธีป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้ศาสนาเป็นเครื่องมือในกการเมืงองเพราะเคยมีมาแล้วในอดีตและศาสนาทุกศาสนาในโดยมากมักเป็นเครื่องมือนักการเมืงองเกิดทุกชาติขอให้ช่วยให้ความเห็นด้วยาสำหรับข้อแรกนี่นะก็ความเห็นที่แลกก็ไม่มีอะไรก็เป็นตัวอย่างให้ชาวบุกระระวังตัว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 เราจะไม่มีการอดขีตศาสนาอื่นเขาไม่ไปรู้การาศาสนาอื่นเขานโยบายอันนี้ไม่เห็นนโยบายใหม่เป็นนโยบายที่พระพุทธเจ้าท่านใช้มาตั้งแต่ครั้งพระองค์แล้วนี่พระอนุปวาโดอันุปค่าโตไงละ่ะวันมาข้าพูชาจะปรุงศาสนาบาทนะ่ะพระพุธทธเจ้าประชุมพระละหันพันของร้อยว่าลูกเนี่ยประชุมเพื่อจะทําข้อปกครองในนโยบายเผยแผ่าศาสนาปรนะชุมเนี่ยกำหนดนโยบายเผยแผ่าศาสนาให้ฟัง ว่าในการเผยแผ่าศาสนานี่เราต้องทั้งร้อนนะต้องใช้ขันติจะไม่กล่าวไล่ความคิดในาศาสนาพุทธจะไม่กล่าวไล่คนอื่นเขานี่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาเป็นการปกครองกำหนดนโยบายการเผยแผ่าศาสนานี่คำพูดพันธมิตรศาสนาพุทธเผยแผ่ไปที่ไหนไม่มีการลุกรานศาสนาอื่นที่ไหนไม่มีมีแต่ให้ความร่วมยือเป็นสุขก็มีการที่จะร่วมมือกับาศาสนาท้องถิ่นกระทั่งกลมเกลาาื่อนใศาสนาเดียวกันไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นในเมืองกินในญี่ปุ่นอย่างเงี้ย ศา ส, สนาพุทธเข้ามาในเมื อ, เงองจีนก็กลมกลืนกับสาสนาขงจื้อศาสนาเตา๋กากระทั่งคนจีนนี่แยกไม่ออกนับถือพรอมกันทั้งเต๋าศาสนาไหวทั้งพระพุทธไหวทั้งขงจือ้อไหวทั้งเตียนไหวทั้งไมหมดไหวเจ้าไงล่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ในช่วกญี่ปุ่นก็แยกชินโตกับพุทธไปออกนับถือตกเปกันทั้งนี้เพราะว่าพุทธศาสนาไม่มีนโยบายลูกกราดไปถึงไหนมีแต่จะทําความอลีอาร อ, ร อ, รอบกลมกลืนันไป อุปมาเหมือนกับน้ำไหลไปก็จะให้ความร่มเย็นแล้วก็ตับตัวเองให้เข้ากับภาชนะที่ใส่พุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเอาถังมาใส่น้ํำน้าก็เป็นลูกถังเอาโ อ, อ่งมาใส่น้ํำน้าก็เป็นลูกโอ่งแล้วแต่แล้วแต่น้ำ ม, มันจะไหลว่าเข้าในภาชนะอะไรก้มกึ้งกันได้หมดอนี่เป็นลักษณะพุทธศาสนาเราเป็นลูกศิษย์แล้วก็ถือนโยบายนั้นตามจากพรศาสนามาอนุปรค า, าตัวอนุปรว่าโดไม่มีการกล่าวล่ามไม่มีการเบียดเบียนกันในหมู่มนุษย์นะ แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันไม่ให้ศาสนาหลายถูกพวกศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นเขาเบียดเบียนอันนี้สําคัญมากหาทางป้องกันวิธีป้องกันก็คือว่าโบนัสเผยแผ่เองเนี่ยจะต้องศึกษาพัทธศาสนานของแท่จนกระทั่งมั่นใจตัวเราเองว่าอิทธิพลอะไรในโลกจะมาล้างสมองให้เราอาจประหลดต่อพระคัมภีอะไรไม่ได้อันนี้สําคัญถ้าเรายังโลเลยไม่มั่นคงในธรรมะในศาสนาตัวเอง ยังเชื่อขึ้นไม่